พระธรรมเทศนาลำดับที่22โดยหลวงพ่ออินทวัยสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีมีเชื่อเรื่องว่าศีลวินัยของมนุษย์เพื่อความสงบผาสุขพระพุทธศาสนาถ้าหว่าพวกเราไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์วันนั้นวันนี้เลยแต่ตามไม่จริงหลักของพระพุทธศาสนา ทำดีเมื่อไรเวลาใดก็เป็นวันดีคืนดีเดือนดีปีดีถ้าเราทำชั่วเมื่อไรเมื่อนั้นก็เป็นวันวันชั่วเดือนชั่วปีชั่วเออมันชั่วไปหมดสรุปแล้วก็คือเน้นหนักเรื่องการกระทำทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างเมื่อวานหลวงพ่อก็ได้พูดเราอยู่ในสถานะไหนไม่ว่าอยู่ ยศถาบรรดาศัก์หรือาชาติชั้นวรรณะไหนประเทศชาติไหนก็ตามถ้าใครทำชั่วก็คือชั่วถ้าใครทำดีก็คือดีไม่ต้องพูดถึงหลวงพ่อก็เลยบอกว่าไม่ว่าเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อขาวเสื้อหลากสีหรือแก่เสือ้อไม่มีเสื้อนี่ถ้าใครทำความชั่วก็คือชั่วทั้งหมดมันไม่ได้อยู่ที่ชั้นชาติ เชื้อชาติเสือผ้าอาพรที่ใสเ่เหมือนกับพวกเรานะี่ยใส่เสื้อสีแดงจับไฟมันร้อนไหมใส่เสื้อสีเหลืองจับไฟมันร้อนไหมใส่คลองผ้าจีวรสีกลักอย่างหลวงพ่อนี่จับไฟมันร้อนไห ม, รไ ม, รไหมฝรัง่งจับไฟร้อนไหมจีนจับไฟร้อนไหมใครจับไฟก็ร้อนเพราะเหตุอดกรรมคือการกระทํา ถ้ากรรมทำกรรมชั่วแล้วใครทำก็ชั่วทั้งหมดถ้าใครทากรรมดีมันก็ดีดีทั้งหมดจเจริญรุ่งเรืองกรรมดีเพราะนั้นกรรมดีและกรรมชั่วจุดนี้เนะี่ยใครจะเป็นคนกาหนดใครเป็นคนบอกว่าอันไหนดีอันไหนชั่วถ้าพวกเราได้รับการศึกษาเราก็รู้เป็นลำดับลำดับอันดับแรกถ้าเราอยู่บ้านเมืองเราก็รู้เอันนี้คือกฎหมาย กฎหมายเขาห้ามไว้แล้วนั่นแหละถ้าฝืนกฎหมายทำผิดกฎหมายนั้นเขาว่าความชั่วในระดับหนึ่งถ้าว่าทำถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองอันนั้นเขาว่าความทำความดีในระดับหนึ่งในชุมชนของพวกเราแต่ในหลักของพระพุทธศาสนายิ่งละเอียดละอ่อยิ่งละเอียดถีท่วนเข้ามาอีกอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเป็นคนทั่ ว, วไปอยู่ภายนอก ยังไม่ได้มาบวชอย่างพระอย่างพระสงฆ์หรือไม่ได้มารักษาศีลอยู่ในวงในก็ดูในระดับหนึ่งระดับหนึ่งคืออะไรเพราว่าเราฆ่าหมูหมากาไก่อย่างนี้ถ้าเป็นของเจ้าของก็ไม่เป็นไรเพราะเป็นของตัวเองอย่างฆ่ามดฆ่ายุงนี้ไม่เป็นไรแต่พระหรือว่าผู้รักษาศีนที่พระพุทธเจ้าบัญญัติศีนห้า อย่าไปฆ่าเขาอย่าไปฆ่าสัตว์แต่ถ้าว่าตัวไหนมีที่มีวิญญาณครองอย่าไปฆ่าถ้าฆ่าแล้ไม่ได้ปรับถ้าฆ่ามนุษย์ขาดจากการเป็นพระถ้าฆ่ามนุษย์ขาดจากการเป็นพระฆ่าไปฆ่าสัตว์พวกช้างม้าวัวควายที่สัตว์ของรัฐบาลเขาห่วงห้ามมีราคาทั้งก็ปรับโทษนี้ขึ้นมาอีกนี่อันนี้ก็คือส่วนพระสงฆ์ที่อยู่ ข้างในที่พระพุทธเจ้าบัญญัติแต่สำหรับกฎหมายบ้านเมืองนเขาอยู่ในระดับหนึ่งแต่ศีลและธรรมของพระพุทธเจ้าขึ้นมาอีกในระดับหนึ่งอันนั้นนั่นคือระดับการเป็นอยู่ร่วมกันเรียกว่าศีลศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลคนเราจะอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นผาศุกได้ต้องมีกฎระเบียบต้องเป็นผู้มีศีล ศีลคือคือวินัยวินัยคือกฎระเบียบกฎรละเบียบยคือกฎหมายถ้าจะพูดไปแล้วก็คืออันเดียวกันเพียงแต่ชื่อขานต่างกันเท่านั้นแต่เนื้อหาหรือว่าคู่ข้อควรปฏิบัตินั้นอันเดียวกันศีลก็คื อ, คอให้พระรักษาศีลแต่พวกเราศรัทธาญาติโยมทั้งหลายพอได้ยินว่ า, าสมท า, านศีล น, นะรักษาศีล น, นะพวกเราก็ขยาด ในใจแต่ตามไม่จริงศินก็คือวินัยวินัยก็คือกดระเบียบกดระเบียบก็คือกฎหมายการอยู่ด้วยกันศินของพระพทุทธเจ้าข้อที่หนึ่งท่านบัญญัติเป็นข้อที่หนึ่งพวก เ, าเราท่านทั้งหลายอย่าคิดฆ่ากันนะอย่างพระเนี่ยห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์ทุกประเภทแต่ถ้าฆ่ามนุษย์เนี่ยโทษหนักโทษประหารภิกษุฆ่าคิดฆ่าเ อ, อจะด้วยอะไรก็าตามะ จ้วยเวทมนต์กลคาถาจดตราอาวุธจ้างหวานให้ฆ่าใครก็ตามพระองค์นั้นหรือใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามพระองค์นั้นเจตนาอยากจะฆ่าคนอื่นขาดจากการเป็นพระเนี่ยสำหรับพระเนี่ยขาดจากการเป็นพระคฆ่ามนุษย์และก็ฆ่าสัตว์อื่นก็โทษลดหลั่นลงมาแต่ถึงยังไงถึงจะฆ่ายุงฆ่ามดก็าตามป ร, ปรบปับอติปลาจิตตี โทษอีกข้อหนึ่งเบาลงไปนี่แหละอันนี้ก็คือในหลักของพุทธศาสนาอย่าฆ่ากันอย่าคิดฆ่ากันคือฆ่าคนนั้นคิดฆ่าคนนี้คนนี้คิดฆ่าคนนั้นเราไปคิดฆ่าวงศสาคกนายาตของเขาตระกูลของเขาเขาก็เสียใจเขามาคิดฆ่าเราฆ่าพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเราเราก็เสียใจเพราะฉะนั้นเราเพราะพระเจ้ทาท่านเป็นธรรม เป็นธรรมมาธิปไตยท่านบอกอย่าคิดฆ่ากันนะถ้าคิดฆ่ากันถ้าพวกเราคิดฆ่ากันเมื่อไหร่ความสงบผาสุกจะไม่เกิดขึ้นในชุมชนมีแต่วาดแวงซึ่งกันและกันไปที่ไหนที่ไหนก็ต้องพกพาอาวุธเพื่อจะอป้องกันตัวเองแต่ผลในสุดต่างโคนต่างป้องกันต่างโคนก็ต่างถล่มกันนี่แหละนี่คือถ้ามีศีลสักอย่างเดียวให้เอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขา ถ้าเมื่อเราไปฆ่าเขาเขาก็ทุกข์ใจเท่าเมื่อเมื่อเขามาฆ่าเราก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันเนี่ยสินของพระพุทธเจา้าต่อมากอะตินนาทานขโมยคนอื่นเขาเออเขาก็เสียใจเขามาขโมยของเราก็เช่นเดียวกันเออขโมยพ่อแม่ลูกหลานของเราไปเรียกค่าไถ่เราไปโมยขโมยของเขาไปยังไงเราเสียใจไหมเขาเสียใจไห คงจะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันสามีภรรยาลูกหลานของใครสินข้อที่สามเขาก็รักสงวนห่วงแหนของเขาถ้าเราไปร่วงล้ำอธิปไตยของเขาเขาก็เสียใจเขาก็ทุกข์ใจเพราะฉะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันเพราะต่างคนก็ต่างมีพี่น้องลูกหลานของใครของคนตระกูลของเขานี่อันนี้คือศินข้อที่สามข้อที่สมุสา อย่าไปโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเราไปโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงเขาทําให้เขาเสียทรัพย์สินทําให้เขาเสียชื่อเสียงมีมากมายโกหกต้มตุนหลอกลวงนี่แหละอันนี้ก็คือสินข้อที่สี่ข้อที่ห้าไม่ให้ดื่มสุราและเมลยัยคือยาเสพติดทั้งหลายทั้งปวงยาบ่งยามม้าคันชา่ายยาฝิ่นเฮโรอีนล้วนแล้วจะเป็นยาเสพติด เมื่อเสพเข้าไปแล้วทําให้สมองปั่นป่วนขาดสติเมื่อขาดสติแล้วทำความชั่วได้ทุกอย่างอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินแต่ละวี่แต่ละวันคนเสพยามากคนเสพยาเสพติดทั้งหลายเมื่อหมืนเมาเสร็จแล้วเนี่ยฆ่าคู่ฆ่าคนที่ไหนก็ได้เพราะอะไรเพราะขาดสติเมื่อขาดสติแล้วทำความชั่วได้ทุกอย่างฆ่าพอ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกหลานขาโมยใครก็ได้ลาบระโรงสามีภรรยาโกหกต้มตุนหลอกลวงใครก็ได้ เพราะอะไรเพราะคนขาดสตินี่นี่แหละคือศีลของพระพุทธเจ้าสมควรจะให้ใครเป็นผู้รักษานี่ถ้าพวกเราไม่รักษาศีลแล้วใครจะเป็นคนรักษาปล่อยให้ใครถ้าหาว่าคิดว่าคนนั้นเป็นผู้รักษาคนนี้เป็นผู้รักษาตัวเองทําความช่วยอยู่บ้านเมืองก็จะต้องเดือดร้อนไปทุกแห่งทุกหนอีกอย่างเก่าเพราะตัวเองเป็นผู้กระทําาเพระนั้นหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทุกคนต้องรักษาหรือไม่ พวกเราพวกเราได้กันกรองไตรตรองเหตุและผลแล้วทำคําสอนของพระพุทธเจ้ามีเหตุผลกันกรองด้วยวิธีการใดก็ตามนั่งคิดนอนคิดดูอือมีเหตุผลเพราะใจเขามาใส่ยาเราเพราะฉนั้นข้าพเจ้าถึงใครจะไม่รักษาก็ตามข้าพเจ้าคนหนึ่งจะเป็นผลรักษาให้นับหนึ่งจะข้าพเจ้าไปนับหนึ่งข้าพเจ้าจะเป็นผู้รักษาสินรักษากฎกฎติกาของพระพุทธเจ้าเนี่แหละต่างคนก็ต่างรู้ มีก ฎ, กฎกติกาอยู่ในตัวเองหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองไปเรื่อยเลยเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านศีนลธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่อื่นที่ไกลอยู่กับพวกเราท่านทั้งหลายเท่าว่าพวกเราท่านทั้งหลายต้องการความสงบพร่อมเย็นเป็นสุขแล้วพวกเราก็จะต้องนี่แหละต้องมีกฎต้องมีระเบียบในการอยู่ด้วยกันเพราะความชั่วยอย่างที่ หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวความชั่วเหมือนกับไฟถ้าใครไปทําเข้าไปเมื่อไรก็ร้อนไม่ได้เลือกชาติชั้นวันลนะไม่ไม่ว่าอยู่ในที่ลับไม่ว่าอยู่ในที่แจง้งแต่ถ้าจับไฟที่ไหนร้อนที่นั่นเพราะนั้นความชั่วก็เช่นเดียวกันถ้าว่าเราทําเวลาใดในสถานที่ใดใครรู้หรือไม่รู้ก็าตามนั่นแหละคือความชัว่วความชั่วนั่นจะไหลทะลักเข้ามาสู่จิตใจของพวกเราท่านทั้งหลาย เมื่อสู่รักเข้ามาสู่จิตใจของเราใจของเราเนี่ยเป็นคลังของบุญเป็นคลังของบาปถ้าเมื่อเราทำเขาแล้วมันจะเข้ามาอยู่ในจิตใจของเราถึงใครจะรู้หรือไม่รู้แต่เรารู้ว่าเราทำอะไรเพราะนั้นความชั่วจะทำเสลยดีกว่าเพราะความชั่วนั้นเมื่อทาไปแล้วจะทาตนให้ อ, อดืดเดือดร้อนเมื่อภายหลังในบาลีท่านว่าอากตังรุ ก, กตังเซโยปช่าตปฏิทุ ก, กตัง ความชั่วอย่าทำเสฉยดีกว่าเพราะความชั่วเมื่อทำไปแล้วจะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังค่ะควรทำาตกรรมดีคิดดีพูดดีทำดีแต่ตามไม่จริงมันก็ห้ามยากนะห้ามใจแต่ถึงยังไงก็ต้องพยายามเอาหลักทำคําสอนมาห้ามตัวเองถ้าหากว่าตัวเองไม่ได้ฝึกไม่ได้อบรมปล่อยตามมัหาใจปล่อยตามเภอใจมันก็ห้ามยาก แต่เราต้องฝึกในการฝึกของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าให้ฝึกจิตนะฝึกจิตฝึกใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้ามโนปุพังคมาธรมามโนเสรามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจใจคืออะไรพวกเราก็วัดสมองด้วยวความคิดแนวความคิดในหลักของพุทธศาสนาตัวนั้นแหละ ตัวสมองตัวความคิดนั่นแหะตัวนั้นแหะเป็นใหญ่ร่างกายของเราเนี่ยท่านว่าไม่ใช่ใหญ่นะอันนี้เป็นรูปประธรรมแต่ตัวที่มองไม่เห็นด้วยตาเนื้อน่ยตัวนึกคิดตัวนั้นอ่ะตัวนั้นแหละตัวใหญ่ในหลักของพุทธศาสนาตัวนั้นเป็นตัวการใหญ่ที่จะทําให้โลกทั้งโลกยุ่งเหยิงวุ่นวายเรื่องต่างๆออกไปจากใจทั้งหมดร่างกายเหมือนกับรถแต่ ตัวใจเครื่องนามมาทำตัวนั้นอ่ะตัวนึกคิดตัวนั้นอ่ะเหมือนกับคนขับรถแต่เมื่อคนขับรถนิสัยเกเรนิสัยอันธพานนิสัยไม่ดีคนขับรถน่เมื่อขับรถเข้าไปเหยียบดะไปหมดชนด่ไปหมดบีบแกใส่คนทั้งหมดเพราะเหตุอะไรเพราะเจ้าของคนขับรถนั้นมารยาทไม่ดีเอเป็นนักเลงเป็นคนอันพานเป็นคนไม่มีศีลธรรมนี่แหละ นี่ก็เหมือนกันใจดวงนั้นถ้าหาว่าได้รับการอบรมไม่ได้รับการอบรมที่ดีอยู่ในร่างกายเห็นใครก็ด่าไปหมดกบี บ, บ, บ, บ, บ, บ, บแปลด่าหเห็นไม่ควรจะบีบก็บีบแกดา่าไล่เข้าไปหมดพอจะเหยียบมดเหยียบงูเหยียบไก่เหยียบหมูเหยียบคู่เหยียบคนเหยียบอะไรเหยียบไปหมดชนไปหมดเพราะเหตุอะไรเพราะใจดวงนั้นโจเฟอร์คนนั้นไม่ได้รับการอบรม แต่ถ้าใจโซเฟอร์คนนั้นไ ด, ไ, ดได้รับการอบรมดีนะรู้จักว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกอันนี้ควรไม่ควรคว ร, ควรพูดหรือไม่ควรพูดควรทำหรือไม่ควรทำนี่แหละโซเฟอร์อขับรถคันนั้นไปก็รู้จักหลบรู้จักหลีอรู้จักบีบแตรในส่วนที่จะต้องบีบให้สัญญาณเขานี่แหละโซเฟอร์นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านให้ความสาคัญ ในหลักของพุทธศาสนาจะว่ามนโนปุพังขมาธรรมามโนเศรษฐามนโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจใจคือคือตัวพวกคิดตัวคิด ต, ต, ตัวนึกนั่นแนะแต่พวกเราท่านทั้งหลายก็ว่าสมองใช่สมองนะ่ะเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์มันอยู่ในศรีรษะของเราแต่คนที่มาใช้คอมพิวเตอร์นะ่ะอีกตัวหนึ่งนะ แต่พวกเราท่านทั้งหลายพิสูจน์ได้แต่ถึงถึงเครื่องคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ทำงานมันออกมันชี้บ อ, อกแต่คนที่คนที่มาใช้คอมพิวเตอร์กดซ้ายกดขวาให้มันคิดเรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรตัวนั้นแนะตัวสำคัญตัวใจนี่แหละที่มันอยู่เบื้องหลังคอมพิวเตอร์ตัวนั้นแหละนี่แหละเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายศึกษาทีนี่จะทำยังไงจะอบรมอย่างไรกับ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์นั้นให้เป็นสิ่งเป็นธรรมหลักของพุทธศาสนาท่านพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาในครั้งกระนู้นนะ่ะไปบำเพ็ญอยู่ทั้งหกปีไปศึกษาในเรื่องนี้อยู่ที่วันสูตรสำเร็จก็คือที่โคนต้นโพนะท่านไปนั่งภาวนาอยู่ตนนั้นทำจิตใจให้สงบไม่คิดถึงอดีตไม่ติดไม่ึไม่คิดถึงอนาคตใจอยู่ในปัจจุบันใจอยู่ที่ปลายจมูก เออเอาความรู้สึกอยู่ที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้หายใจเข้ า, ขาหายใจออกรู้ว่าหายใจออ ก, อาาออก เ, อเมื่อเราไม่คิดถึงอดีตอนาคตใจของพระองค์ก็รวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วพระองค์จึงรู้ได้ว่าใจกับกายนะอาศัยกันม่ใช่อันเดียวกันเนี่ยขอให้พวกเราท่านทั้งหลายศึกษาในหลักของพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน เพานั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาของพวกเราสายหลวงปู่มั่นหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกองท่านภาวนาท่านนั่งสมาธิท่านรู้เลยเลยว่าตายแล้วไม่สูสรุปแล้วตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกสิ่งที่พาให้เกิดนั่นคือโซเฟอร์ต้นนั้นแหละรถคาร์ เ, เน่ใช้ไปทักงช่วระยะหนึ่งแปดเก้าปีอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็น เ, เดี๋ยวก็จอดเพราะเห็นอะไร บางทีก็เส้นเลือดปดอิดอุดหัวใจบ้างเส้นเลือดแตกในสมองบางไตาวายบางมีเยอะแยะไปตกต้นไม้ควายชนตกเรือตกรถตายได้ทุกอย่างแต่ว่าเมื่อออกร่างกายทีแตกแล้วเนะี่ยแต่โซเฟอร์ที่อยู่ในร่างนั้นนะจะต้องออกจากร่างไปปฏิสนธิไปหาเกิดที่ใหม่อีกไปยึดที่ใหม่อีกนี่แหละพระพุทธเจ้าว่าจุตูตตปะป า, ปาตายาน การตุติการเกิดการตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายเยพอะออกจากร่างนี่จะไปที่ไหนพระพุทธองค์รู้พวกเรามาเกิดจากท่านมาเกิดจากที่ไหนมาเกิดที่นี่เตี๋ยวนี้เรามาจากที่ไหนมาเกิดที่นี่ออกจากนี่เราจะไปที่ไหนพระพุทธเจ้าก็รู้อีกวิถีทางเดินของวิญญาณจุตูป ป, ปตาตญานถ้าว่าใครทากรรมที่ไม่ดีเอาไว้ในอดีตมาถึงชาตินี้เราก็จาต้องได้รับกรรมสิ่งที่ไม่ดีอย่างพระโมกขลาน ถ้าท่านได้ฆ่าพ่อมฆ่าแม่ในอดี ต, ต์ตชาติพอมาชาตินี้ถึงท่านจะเป็นพภักขละสาวก ข, ของพระพุทธเจ้าก็ยังมีโจรฆ่าท่านพระโมกคลาท่านบอกโอ้เราหนีกรรมไม่ได้เราหนีกรรมไม่ได้เราหนีอย่างอื่นหนีได้แต่หนีกรรมที่กันกระทําไว้แล้วนะเราหนีไม่ออกเพราะเราได้ทํากรรมไว้แล้วท่านจึงนั่งให้โจทรทําร้ายทําลายท่านเพราะท่านหนีกรรมนี้ไม่ออกฉันว่า ท่เ น, นว่ากรรมชั่วอย่าทำเฉลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นหนีไม่พ้นเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่ได้ฟังทำที่หลวงพ่อได้กล่าวหลวงพ่ออนำํำทำคําคสอนของพระพุทธศาสนาทำคําคสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกกล่าวให้แก่พวกเราให้เข้าใจได้ง่ายเปรียบเทียบให้เข้าใจได้ง่ายเพื่อการศึกษาและจะพวกเราอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดได้ตายแล้วสูนั้น ก็วิธีการทำกันั่งขดสมาธิกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกบริกรรมหลวงปู่มั่นท่านเพิ่มเขาอีกนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าเวลาหายใจเข้าบริกรรมว่าพดหายใจออกบริกรรมว่าโทพดโทพดโทหายใจเข้ามีสติกับลมหายใจจากนั้นจิตใจของเราจะรวมสงบลงเป็นหนึ่งพ อ, องรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วพวกเราจะรู้ได้โดยตนเองว่าเออ กายกับใจอาศัยกันมันไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านได้บอกได้กล่าวเพราะฉะนั้นพวกเราหลักพิสูจน์มีนะแต่พวกเราจะพิสูจน์มากน้อยยังไงแค่ไหนเท่านั้นอะ่ะอันนี้หลักพิสูจน์ในหลักของพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าพูดลมหมแรงแรงไม่ไม่ใช่นะไม่ใช่พูดหลมหลมงแพูดให้พิสูจน์ได้นั่งสมาธินั่งนานนานพอนั่งน a n g พอดูลใจของเราจะรวมจะรวมสงบลงเป็นหนึ่งเนระเห็นได้เลยชัดเจน เ, เหมือนกับาจานกับไข่อย่างนั้นจานกับไข่ไข่กับจานแต่ไม่ใช่จานไม่ใช่ไข่ไข่ไม่ใช่จานแต่หลวงพ่อเปรียบเทียบรถกับคนขับรถนี่จะชัดกวา่ารถนี่คือร่างกายคนขับรถก็คือจิตใจที่อยู่มาอยู่ในร่างในร่างกายของเรามีอยู่สองแต่พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าให้ความสาคัญ เรื่องคนขับรถมากกว่ารถนะแล้วตอนนี้ไปรับพรอนุโมทนาให้พร